ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ยังคงเต็นคงวาอยู่แต่ผู้ปฏิบัติมาอยากจะมองข้ามไปว่าสมัยนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีเด่นเหมือนสมัยพระองค์ยังทรงพระสนอยู่เก็ผู้กระพฤ่อปฏิบัติอาจทำแต่คอยเห็น มันมีมากมีผลโดยส่วนใหญ่มากอยากแสวงสัยหรือกล่าวสู่ดูถูกไปคำนองนี้แต่ความจริงผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอาจทำท่านก็ไม่ได้อวดว่าท่านได้อะไรจากการปฏิบัตินอกจากตัวของท่านจะรู้จะเห็นความเป็นจริงหรือความสุขความสบายความละความถอนคาม ลอยวาง้องใจเพราะพวินยัยทางพยาาทเนาผูดโดยเฉพาะเรื่องของพระการผูดเรื่องธรรมะว่าเราได้เราทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทางที่พวินัยห้ามเอาไว้ถ้าใครไปฝ่าฟืนหรือผูดไปทำนองนั้น ก็เป็นอันว่าฝ่าฝืนพระธรรมยินัยไม่เคารพไม่ารพยินัยจพระศาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ดัะนั้นเรื่องธรร ม, มะทู่คนสงสยัยโดยส่วนใหญ่ก็คือู้ไม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติอาจทำอะไรก็เลยสงสัยว่าธรร ม, มะหมดไปเสื่อมไป การจริงธรรมะเป็นอาการหรือการทำคือไม่มีการมีแต่ไหมพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระสนู่หรือปริมุทานไปธรรมะคือของจริงก็ยังมีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปที่ไหนเพราะธรรมะมีอยู่กับกายกับใจของบุคคลคนที่ยังมีกายมีใจ ธรรมะยังมีอยู่รูปประมคือรูปที่เรามองเห็นด้วยตาจึงเป็นวัตถุนามธรรมคือเรื่องที่มองมาเห็นด้วยตาเช่นเวทนาสัญญาสังสารวิญญาณมีเรียกว่านามธรรมธรรมเหล่านี้มีประจําบุคคลผัวไ่ายจึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ของจริง ซึ่งเกิดจากรูกและนามเหล่านี้ก็ยังมีอยู่มาได้เสื่อมไม่ได้เสียพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบหาบอัดทำที่ทรงสแสดงแก่สัตว์เมื่อเวลาท่านเปิปฏิบัติหรือท่านปรินิติทานท่านก็ยังบอกไว้ว่าให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนเราสถาค์ ทางเนปัส์เอาไว้อย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติอาจทำทางพระพุทธาศาสนายิงควรพิจรารณาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบอกบอกอะไรเรื่องสติบัติทานสี่หรือปธิบัติสี่สามารถปทานทัสี่มันมีอยู่ที่ไหนถ้าเราพิจารณาแล้ว ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นแต่มีอยู่ที่ตายที่ใจของมนุษย์เราเป็นสมาทานสีการสังวน ร, ระวังไม่ให้บาปคือความชั่วเกิดขึ้นในสั้นดานของตนความชั่วที่เห็นได้ไปจากทั่วไปก็คือความชั่วที่หยากเกิดขึ้นจากตายเกิดขึ้นจากวาจา ความชั่วที่ละเอียดเข้าไปก็คือการเกิดขึ้นจากใจเมื่อทำเมื่อพูดเมื่อคิดอะไรเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเป็นไปเพื่อทำตนให้เดือดร้อนวุ่นวายถึงพราพูดใธเจ้าจะไม่บัญญัติแตเป็นความชั่วมันก็ชั่วอยู่เอง ความชั่วเหล่านี้เป็นความชั่วที่อยากที่ทำบุคคลไม่สังวรระวังให้เดือดร้อนทั้งตนเองและคนอื่นเห็นเข้าก็ไม่ชอบอิดติดใจเพราะการทำไปหรือพูดไปไรสารประโยชน์นอกจากนั้นยังเป็นคำพูดที่เหม็นไม่มีใครที่จะชมชอบไม่เป็นสน่ห แต่ส่วนความละเอียดเข่าไปทึงใจความโลภความโกรธความหลงถ้ามีอยู่มากเท่าก็จะแผดเผาใจของเราให้เดือดร้อนเหมือนกันยังคิดปรุงขึ้นก็ได้รับความไม่เป็นธรรมได้รับความเดือดร้อนเขาตนเองก่อนคนอื่นพอมีจำนวนมากเท่าก็ระเบิดออกมาทางตายทางวาจา เหตุนั้นคนที่ต้องรวมระวังในความชั่วเกิดขึ้นมาเผาตัวเองจึงได้ชื่อว่าปัดทานความเพียนคือสัองรวรระวังในความชั่วทั่วไปมาเกี่ยวข้องใายายจายใ จ, ใจองตนมันสัมระสะสารซักฟอกอยู่สม่ำเสมอไปเพราะใจของบุคคล จะเศ่้าหมองหรือผ่องไสได้ก็อาศัยอารมณ์ซึ่เกิดขึ้นจากตัวเองก่อนคนอื่นจัดอื่นซึ่งเราเห็นเข้าเรานำมาแทดะเผาตัวของเราถ้าหากไม่ชอบออจิกใจเห็นว่าเขาทำใส่ตัวอย่างนั้นพูดใส่ตัวอย่างนี้ก็เลยเกิดความไม่ดีในงานขึ้น ความจริงมันเกิดขึ้นจากตัวเองคำพูดหรือการกระทำของเขาถ้าเราเห็นว่าเขาทํำไม่ดีของไม่ดีแล้วถ้าเราเป็นคนฉลาดทำไมไปเก็บเอาของส่วนนั้นมาทําให้ใจของตัวเศร้าหมองเกลียกรอนนี่เรายั ง, งโง่ไม่ต้งวรระวังตัวของตัวนี่เกียดสมาทานทานให้สังวรระวัง กายวายจาใจค่องตนระวังในความชั่วผั่วไปถึงจะทํากายทำวายจาใจทาใจให้เดือดร้อนแผกเถาตัวระวังไว้ําระไว้ล้อมเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลเข้ามาสู่ตัวคลองตัวประหารประทานหมายเถึงว่าทําชั่วที่นี่อยู่ในตัวแล้วส่วนได้ที่ชั่วที่เสียอย่างคนอื่นเขาประพฤต เห็นคนอื่นเดาทำเห็นคนอื่นเขาพูดเราเองก็ไม่ชอบผิดชอบใจแต่มีอยู่ในตัวของเราเราก็ควรชําระสะสางออกไปตลอดถึงตัวของใจเองจี่จจิตข้องปาหัดปาหานความชั่วเหล่านั้นให้จบไปมาให้ความชั่วใหม่เกิดขึ้นโดยการสั้งวรความชั่วที่มีอยู่ก่อนชํารท ด้วยการประหารความทั่วก่ น, นับวันนับเวลาที่จะเหลือน้อยไปหรือหมดไปผลที่สุดความทั่วไม่มีในตัวและสะดวกสบายไม่มีอะไรจะมาแผดเขาไม่มีโทษใครภายในและภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องพออยู่เป็นอิสระมีความสุข ทุกการทุกเวลาจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินมีความสุขเพราะความชั่วตัวไม่เดไปกเกาะเกี่ยวความชั่วที่เกิดจากคนอื่นตัหมอบให้คนอื่นเขาเชืยความชั่วของตัวเองก่อนสำลักสะสางไม่เก็ิดข้างไว้ในจิตในใจของตัวมีเรียกว่าทางฝายชั่วฝ่ายเสียระวังสังวรและประหัตประหารให้หมดไป ความดีส่วนใดจึงเรียกว่าภาวนาไปทานควรจะเกิดจะมีก็พยายามจะทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของตัวเป็นต้นว่าทานการบริจาคเราให้ไปการให้ทานโดยส่วนใหญ่มักผิวว่าเสียไปโดยไรประโยชน์ไม่ได้อะไรตอบแทน คามจริงคนที่มีกต х ทาภายในใจให้ไปแล้วมีความยินมแ่้ม แ, มแมจ่มใสมีความเบิกบานภายในตัวของตัวคิดขึ้นเมื่อใดความสุขของใจเกิดขึ้นพักพวกเพื่อนฝูงสิริรักษ์ไชยทานการสงเคราะห์หรือการบูชาจากเราก็มีความรักให่มีความสนใจในตัวเราตัวของเราก็เลยเป็ น, นเสน่ห์ ไปที่ไหนไม่มีภัยอันตรายไปที่ไหนมีความสุขกายสุขใจไม่อดอยากอยากจนอำนาจของการให้ทานให้ผลในปัจจุบันทันตาและพบธาตุทางหน้าท่าหาว่ามีการเกิดการตายต่อไปอำนาจกุศลพ้นทานที่เราสะสมเอาไว้พอจะอำนวยอวยชัยให้เราไปเกิด ในสถานที่สมบูรณ์ปูนสุขมีสมบัติพัดสถานเพียงพอบริบูรณ์ทุกอย่างมีอำนาจของการให้ทานก่อทําก็อเป็นการทําจิตทําใจให้ยินแยินแฉมใสอย่างหนึ่งจึงเรียกว่าบุญบุญนี้ไม่ได้มีมาจากที่อื่นกว่าตัวของเราเป็นคนจะสะสมเป็นคนที่จะกระทําคนอืน่น <c oughs> เพียงแนะนำสั่งสอนเท่านั้นถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรสำหรับคนที่แนะนฉะนั้นการบุญการกุศลจึงเรียกว่าภาวนาประทานคือการสะสมคุณความดีให้มีขึ้นฝีการรักษากายวายจาขคงตนก็อเป็นผลเป็นประโยชน์อีกเหมือนกัน เพราะพูดไ ง, ไง่ายสาธเตยนากันแยบคลายทางพระศาสน า, ษาโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ปัจจุบันทุกวันนี้ก็ดีหรืออดีตที่ผ่านมาแล้วก็ดีอนาคตที่จะเป็นไปทางหน้าก็ดีเพราะมานุษย์ไม่มีศีลถ้าคนมีศีลแล้ว <c oughs> โลกนี้จะมีความเยเือกเย็นเป็นสุข กฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้คุกตารางที่มีใสคนโทษคนชั่วก็เพราะเหตว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีศีลคนมีศีลไปสถานที่ใดเป็นมงคลแก่สถานผี่นั้นทั้งตัวเองก็ไม่มีภัยอันตรายคนอื่นที่อยู่รอบข่านก็มีความเย็เย็นเป็นสุขเพราะศีล ไม่เบียเดเบียนกันไม่ข่าฟันกันไม่รักไม่ขโมยกันไม่มีการนอกจิตนอกใจกันถ้าพูดถึงสี่ของาาสาระว่าสิ่งหสามีก็เป็นทีไหว้เนื้อเชี่ยวใจต้องภรรยาภรรยาก็เหมือนกันไปไหนมาไหนก็ไม่มีการนอกใจของสามีอยู่กันด้วยดีมีความสุข ในหาอาธิเลกเพียงพอบริบูลยินดีในถูกควางองท้องตัวการโกโหกพกลมหลอกลวงคนอื่นตัวของเราเองก็ไม่ชอบเมื่อถูกเขาต้มตุนอย่างนั้นหรือเขาพูดโกโหกพกลมอย่างนั้นเราเองก็ควรตระนรักษาอย่าไปโกโหกพกลมคนอื่นพูดแต่จริงๆเป็นจัดเป็นจริง กูถึงุลาการดื่มน้ำเมาก็เหมือนกันคนธรรมดามีสติสมบูรณ์อยู่เมื่อดื่มทุลาเขา้าคนนั้นอากาศกินยา่าทีจะแสดงออกต่างๆนานาพูดจะอะไรก็ไม่มีสาระที่จะเชื่อฟังได้ทุลาจึงเป็นทางที่ทำให้คนเสียสติ เป็นทางที่ไม่ดีอันหนึง่งพระพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นว่าส่วนเหล่านี้จะเป็นไปเถือ่อความเสียหายเป็นที่ตั้งของความประมาทท่านจึงบัญญัติเอาไว้หินเทียงห้าข้อตัวนี้แหละถ้าหากโลกพากันตั้งหน้าตั้งต า, งตา ป, ปฏิบัติตามหินของพระพุทธเจ้าแล้วอาวุธยุทธพัณฑ์ต่างๆแก่ตกทิ้ตงตำรวจทาหารไในกองมีรักษาประเทศชาติ รักษาประชาชนเพราะเหตุใดเพราะคนทั่วไปมีสิเยียกเย็นเป็นสุขจะไปสถานที่ไหนไม่มีใครอันตรายเพราะสี่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติเอาไว้หากคนสนใจรักษายังมีอนิสงส์ยืนเด่นตลอดกาลตลอดเวลาไม่ใช่ทางเสียหายเป็นทางบุญทางกุศล ที่พวกเราทุกคนจะสนใจรักษาประพฤษษติปฏิบัติหากเรารักษาได้จิตใจของเราคชิดปรุงไปในทางศีก็ไม่มีข้อใดที่จะเสื่อมเสียจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวจิตก็ เ, เลยไม่มีการหวั่นไหวมีการตั้งมั่นเพราะไม่มีโทษภัยอะไรมารบกวนเรื่องจิตใจ ฉะนั้นศีลจึงเป็นทางบุญทางกุศลที่พวกเราทุกคนจะควรสงหวหนักักษาเรียกว่าภาวนาประทานคือทำศีลทำทานของตนให้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์เราเป็นสถานดยานกลางสามารถที่จะทำดีและทำชั่วได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วจะดีเด่น ถ้าหากไม่มีอาจมีทำประจำตัวแล้วคนนี้หน้าตัวยิ่งกว่าสัตว์ปาเสือที่ดุเขากลัวกันทุกวันนี้ไม่ค่อยใจมีได้ยินว่าเสืออยู่ในสถานที่ใดเขาชอบไปเพราะหนังมันเป็นราคาดุมันเป็นราคาเขาหามาขายแต่เสือคนสมัยนี้เขากลัวกันใหญ่จะอยู่ในบ้านในช่องกยังไปแย่งเอา เียรต่าไทยขาอะไรกันมันลำบากนี่คือคนไหม่มนเียคนไหม่มีสัตว์คนไม่คิดถึงอกเขาอกเราทำไปได้ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างเหตุนั้นบ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวายคนดีอยู่ไม่เป็นสุขเพราะถูกคนร้ายเบียเดเบียนผมเหง หาทุกคนที่จะเรียนาอกตนและคนอื่นเทียบเทียงกันว่าเขาอย่างไรเราอย่างนั้นจะไม่มีใครก้าไปแต่ทำความชั่วต่างๆจะรมเย็นเป็นสุขโลกมนุษย์ก็จะชนิโคลสวร์ไปเพราะไม่มีอะไรมาเบียบเดเบียนกันมีทางให้เกิดความสุขของใจเพราะไม่ได้ไปทำชั่วช้าลามก นอกจากนั้นภาวนาคือการอบรมจิตใจของนตนปกติจิตใจมักพุงพ่งสุงเหมือนบานอนถ้าไม่มีโซ่ผูกไว้มันจะโดดไปโน้นโดดไปนี้แตติเป็นโซ่ปัญญาเป็นคนสำหรับรักษามันคิดมันพรุงไปที่ไหนอะไรเป็นทางเสียห้ามกันอย่าให้มันกระโดดโลดโผนไป ปัญญาเนี่ยสอนจิตใจอยู่สม่ำเสมอขันจึงให้ผูกกับบดบริกรรมหรือกับลมหายใจไม่ให้ใ จ, ใจิตใจพุ่งไปตามสัญญาลมอันอื่นเหายใจมันพุ่งไปพูงไปโดยมีสติโดยมีปัญญารักษาทางที่จะได้ก็คือความเสื่อมความเสียความเดือดร้อนแต่เรา มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนจิตใจอยู่สม่ำเสมอคิดปรุงอะไรทิจเจนาให้ทิ้งจิตทิ้งใจว่าคิดปรุงไปอย่างนี้ดีชั่วอย่างไรเป็นธรรมเป็นวินัยหรือเป็นไปเผื่อความเพิดเพลินเสียหายเมืคิดทีนี้ทิจจนาดูแยบคายแล้วทางหาเส้นทางเสียหายขอละถอนปล่อยวางไปเสีย เป็นทางดีควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ก็ให้ปรุงไปคิดไปเพื่อแก้ไข ถ, ถ่ายถอนจิตใจที่ติดขอ้องหรือเรียกว่าภาวนาเรียกว่ า, า, ว า, วาทางเสืดปัญญาทางสำรักีิเลสให้รักษาอย่างความดีของใจสม่ำเสมอไปความดีใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสื่อมให้เสียไป ความดีที่ยังไม่ได้ไม่ถึงพยายามกอบกู้แตะทาบาเพ็ญเรี ย, ก, ยกว่าอนุรักษณาปัจฐานคือการรักษาความดีของตนที่มีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปมีก็ไมนมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานกายานุปัฏนานเลทนาจิตธรรม มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่กายที่ใจอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนยังอยู่ทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ได้เสื่อมไม่เสียไปที่ไหนใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกายใจคนนั้นแหละจะรู้เห็ น, นเป็นตัดเป็นธรรมขึ้นความสุขที่ไม่เคยเห็นแต่นัยแต่ไรมาจะประทับในใจองตนเพราะความสุขทางนิลานิสัยสุขความสุขที่ปล่อยวางที่เหนือปัญหาความสุข คือลงรวมของใจไม่มีใครเขาขายสันพอจะไปดูอยู่ที่อื่นได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติภายในตัวของตัวเท่านั้นถ้าเห็นถ่าเป็นในตัวแล้วจะเชื่อในอจัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีบันลืมหลงเพราะเป็นของที่จะจดจำได้ความสุขยิ่งเสดสเดิอดอะไรจะเทียบเท่ากับการสงบของใจไม่มี ความสงบข้องใจเมื่อปล่อยวางละถอนกิเลสกันหารงรวมไปยังช่วงขณะเวลาท่านั้นจะมีความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ยังเราประเททปฏิบัติความสงบส ง, งัดเกิดขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นคุณความดีบากความสุขที่เรียกว่าอาจทำหรือมรรคผล ยังสาอยู่ผู้ก่อเพืปฏิบัติด้วยใจจริมทำกันทุกวันทุกเวลาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งตาหน้าต่างตาชำระสาสางทําทไมท่านจะไม่เห็นไม่เป็นจะเชื่อเชื่อหน่งของศาสนานี่หธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงว่ายังคงเส้นคงว่าไม่เส้หายไปตามวาจาของคนพูด ยังมีอยู่เนี่ยเรารู้เราเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเ จ, จ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราเองไม่ได้อยู่ตามตำรับตำราไม่ได้อยู่ตามการตามเวลาอยู่ในกายในใจปฏิบัติกา ร, รใเดเวลาใดพิจารณากายใจเป็นอันว่าพิจารณาธรรมะเป็นอันว่าอ่านธรรมะเรื่องกายใจของตัวไม่ต้องรู้ทั่วรู้ถึงไปเรื่องอื่น ก็เป็นอันว่าถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนคนอื่นบอกคนอื่นไม่ได้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก็าตามแต่จิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้เห็นเป็นขึ้นมีความสุขเพราะความสุขอยู่ในในตัวของท่านเพียงพอบอลลีบูไม่ต้องหาอื่นมาประกอบความสุขส่วนนี้ โลกทั่วไปที่ยังไม่เด้ประวพืชปฏิบัติมองไม่เห็นเพราะจิตใจของเขาไม่เต็มอย่างนั้นเขาจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่ยินดีไม่พอใจไม่อยากประพืชปฏิบัติถือว่านักบวชทั่วไปล่วงโลกไม่เป็นสารประโยชน์อะไรบวดเสียเวลาทำให้เศรษฐกิจขลงชาติเสียหายไป ให้ทำอะไรให้แก่โลกในความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้นแต่คนอย่างนั้นให้มาบวชในพระพุทธศาสนารักษากายวาจาใจควบคุมไว้ให้ประบัติปฏิบัติตามธรรมดีในคนที่มันพูดอาจจะทําไม่ได้เพราะการประบัติปฏิบัติอาจทำทางศาสนาเป็นการบังคับใจโลกทั่วไปเท่าจริง มีภาคิดว่าทับที่อยู่ได้ทัศใจอยู่ยากใจของพวกเราเราท่านพวกไปถ้าหากไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการรักษามากอยากปุ่งปรุงไปต่างๆอยู่ในวัดประพฤติปฏิบัติอัดทหรรถือว่าเดือดร้อนอยากดูอยากฟังอะไรมีแต่ผิดธรรมในทางนั้น าเป็นทางที่พีเลสชอบแต่จะประพฤติปฏิบัติใ้จิตใจสงบสงัดมันถือเรื่องของพีเลศมันไม่ชอบแต่ทำแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานดีไม่มีสติปัญญาที่จะนาแยบทายพอมากอยากจะกดิดเปิดเปลงไปตามเรื่องของพีเลศปัญหาเหตุนั้นพระเนนในศาสนาจึงมีจานวนน้อย ไม่มากเหมือนชาวอ า, ย า, ย า, าตยอดโยมเพราะรักษาจิตคุมจิตบังคับจิตไม่ได้ปล่อยไปตามสภาพของกิเลสปัญหาชอบฉะนั้นผู้ที่บนที่ว่าอย่างพระเนนไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเขายังไม่เคยบวชและเขายังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปรเพษษษษษษื่อปฏิบัติรักษาตัวของเขาริง ความจริงผู้อยู่ในศาสนาถ้าหากไม่มีสติปัญญาแนะนตัวจริงจังยากหนักหนาที่จะมีความสุขพระพื้นฐานของจิตคิดลงไปแต่เรื่องนอกไม่อยากจะคิดจะอ่านเรื่องตัวของตัวเองไม่อยากจะแก้ไขส่วนสี่เสียมี่ใจจะหาเพิ่มความชั่วความเสียต่างๆมาทับถมจิตใจ ไม่เด็ดี่จารนาแ ย, ยท้ายโดยอุบายปัญญาว่าสิ่งที่เราหลงไหลไปเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะต่องผูกพิเลดดึงจมูกเลื่อยไปไม่มีสถานที่ใดสอดและว้นที่สุดก่อใ้ไปเปล่าไม่ได้สระาประโยชน์อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์จากการประดับรับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราท่าน <c oughs> ที่เป็นชาเป็นเนนก็ดีที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมุงหน้ามุงตามาศึกษาธรรมะของเอพทพบุตรเจ้าจริงไม่ควรมองข้ามกายใจท้องตนทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสงบทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสุขความสบายความจริงเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะสังขารห่ามกันไม่ได้ฉันจึงเรียวกว่าอนัตตา คือมาอยู่ในการบังคับบัญชาของใครมันเกิดมาอย่างไรมันจะต้องแปลปวนไปตามสภาพของมันจะมีหมอดีดีเศษมารักษาความแฉะให้หายความตายไม่ให้มีแล่งยันมาจากประเทศไหนสถานที่ใดวิชานั้นจะไม่มีการแฉะไขตกเพราะความเกิดความตายนี้ เป็นสัต ย, ยธรรมเป็นอริยสัจเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้าผู้เห็นและนักปฏิบัตจิจะที่เรณาให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วไม่มีการไปห้ามกั้นขวางถนนคนส่วนใหญ่ที่ทุกจิตทุกใจก็เพราะเหตุว่าไปขวางถนนเอาไว้ถนนเขาเคยเดิน อยู่แต่นายแต่ไรมาแต่เราไปขวางกั้นเอาเสียมันก็ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองพอไปกั้นถนนเขาถนนเป็นของตางถึงทุกคนจะท่องเที่ยวไปมาท่านใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลไปายฝันอยากจะให้ทั้งฐานทองตนเป็นไปตามใจชอบก็คือการขวางานถนนเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตาย จะทำอย่างไรจะแกใไขได้ไม่มีทางถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามสภาพของมันผู้ที่ปฏิพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชาัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แกใไ้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดาของมัน <c oughs> ตามเหีืยวของขาดของขันแต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้สะดวกสบาย เห็นเขาเป็นของจริง ห, หรือไม่หรือเห็นเขาว่าเป็นของแปลกปลอมอย่างไรถ้าหาเห็นเขาเป็นของจริงก็ปล่อยวางได้ถ้าหาเห็นเขาว่าเป็นของไม่จริงแปลกปลอมแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้คอยยึดมัน่นถือมัน่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่สมใจของตนที่มุ่งมั่นเอาไว้ใจก็เกิดทุกข์ขึ้นเรื่องของการ ป, รปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขที่อื่น แกใช้ ท, ที่ใจของตนถ้าใจเห็นตามเป็นจริงในสภาวะเหล่านั้นมันก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยให้วางมันก็ปล่อยวางเองถ้าทิจณารอบตัวการทิจนาจะรู้เห็นเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยความสงบของใจไม่ใช่ว่าจะอาศัยสิ่งอื่นเยังเราจะซุ่มเดาคิดเอาโดยจิตไม่มีพื้นฐานของสมถธิความสงบของใจแล้ว ส่วนนั้นจะตายเป็นสัญญาไปใจกปเลยไหมถอดไม่ถอน ไ, ไม่ละไม่ปอดถนนเขาเคยเดินอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราไปขวางกั้นเอาเสียมันก็ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเพราะไปกั้นถนนเขาถนนเป็นของปานถึงทุกคนจะท่องเที่ยวไปมาฉันใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลฝ่ฝันอยากจะให้สั้งฐานองทน เป็นไปตามใจชอบก็คือการฝังถนนเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายจะทําอย่างไรจะแกใไขได้ไม่มีทางถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเปลนไปตามสภาพของมันผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดาของมันต <c oughs> ามเหล่ยมของถาดของขัน แต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้สะดวกสบายเห็นเขาเป็นของจริงหรือไม่หรือเห็นเขาว่าเป็นของแปลกปลอมอย่างไรถ้าหาเห็นเขาเป็นของจริงก็ปล่อยวางได้ถ้าหาเห็นเขาว่าเป็นของไม่จริงแปลกปลอมแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้พอยยึดมัน่นถือมัน่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่สมใจของตนที่มุงมั่นเอาไว้ ใจก็เกิดทุกข์ขึ้นเรื่องของการแระพฤ่อปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขที่อื่นแก้ไขที่ใจของตนถ้าใจเห็นตามเป็นจริงในสภาพเหล่านั้นมันก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยให้วางมันก็ปล่อยวางเองถาพิจารณารอบตัวการพิจนารณาจะรู้เห็นเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยความสงบของใจไม่ใช่ว่าจะอาศัยสิ่งอื่นยงเราจะซุ่มเดา คิดเอาโดยจิตไม่มีพื้นฐานของสมาถิความสงบของใจแล้วส่วนนั้นจะตายเป็นสัญญาไปใจก็เลยไม่ถอดไม่ถอนไม่ละไม่ปอดฉะนั้นการอบรมจิตใจจึงสมควรที่จะให้มีมความสงบของใจเป็นพื้นก่อนจึงที่เจรนาต่อไป ใจที่มีสมถะคือความสงบมีวิปัสนาคือการที่นิพิจารณาโดยแยกภายแล้วกิเลสตัณหากลัวไม่กลาที่จะไปจันบาลหน้าด่เพราะอำนาจอาวุธคือสมถะวิปัสนามีอยู่จะประหาดประหารขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาอนุสัยต่างๆออกจากใจ ผลที่สุดใจที่เสยจิตคล่องก็เลยหลุดออกไปความสุขของใจจะเป็นความสุขที่วิเศษพระพุทธเจ้า เ, เคยเห็นอนนีิสงมาแล้วจึงแนะนำาคําสอนพวกบอดมืด อ, อย่างพวกเราในทพินี้พิจะะารณาอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจของตน ที่เจรณ า, าลงนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นอยู่นี้เพราะความหลงไหลอยู่นี้ทิฏฐิมานะอยู่นี้กิเลสตัญหาอยู่นี้มันจะอยู่ตามตำหลับตาราในอยู่ในดินฟ้าอากาศที่อื่ <Selbst. S 2> <า>นเกิด<รอ Philosophy>ขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้<รอ>เ<ห> <ent> มื่อเกิดขึ้นจากที่นี้มีอยู่ในที่นี้เราจะไปสําราสาสังที่อื่นไม่ผูกสองตำลาสาสังที่มันเกิดขึ้นพอดถอนที่มันเกิดขึ้น ทำลายที่มันเกิดขึ้นมันถึงจะถูกสุดมันเกิดขึ้นที่นี้ก็ต้ตรงพิจารณาทีนี้เพื่อจะให้จิตใจปล่อยวางเรื่องต่างๆให้หมดไปเมื่อจิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันละมันถอนถึง เนื่อจะมีอวัยวะร่างกายมีรูปเวทนาสัญญาสังขานอยู่ <S <S 1> <S 1> ก่อสัจจะว่ามีไม่มีอะไรที่ท่านจะยึดมั่นหรือหลงตามาธาดขันส่วนนั้นเพราะท่านพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงของท่านปล่อยวางละถอนได้ไหมใช่ใจลมปากความจริงของใจผ่ า, าหากเป็นวัตถุที่จะหยิบยกออกมาให้ดูได้ ท่านจะเอาออกมาให้ดูนี่นี่เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของใจนี่มันเหลือวิสัยที่จะเอามาให้กันดูได้ว่าใจที่บริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรของให้ฝึกอบรมด้วดยตัวเองในต่อไปสงสัยในต่อไปถามใครถ้าหากมันถึงที่สุดมีมุดแล้วจะรู้จะเข้าใจโดยตนเองเพราะทำเป็นสันทิกิโกคือเห็นเองเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะ ปลประพฤติปฏิบัติเหตุนั้นคนทั่วไปจิต่าวตูดูมินว่าศาสนาหมดมากหมดผลเพราะเพราะตัวของตัวเขาไม่เคยประพฤติปฏิบัติเข้ามาภายในยไม่เลยพิจรารณาเรื่องกายใจท่องตนความสงบเป็นอย่างไรเกิดมาทั้งชาติจนกระทั่งวันตาไม่เคยประส บ, พบเพราะเพี้ยความปล่อยวางของใจเป็นอย่างไรที่เหลือแต่ปัญหา ที่หมดไปเป็นอย่างไรไม่ทราบทางนั้นคอยใจจะกล่าวตูดูมินว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลแต่ตนข้องตนไม่กว่พฤติปฏิบัติจะกล่าวตูดเท่าไรมันก็เป็นเหลืองของเขาแต่ตัวของเราผู้เชื่อว่าศาสนายังคงเส้นคงวามรรคผลยังคงมีอยู่ให้พากันถึงประพฤปฏิบัติความรู้ความเข้าใจความเห็น อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเสียทางผิดรักษาเอาไว้ประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวลงไปให้เห็นตามเป็นจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนสาวกวาเพราะมานุษย์ทั่วไปหลงในเรื่องของกาย่ันจิงให้ทิจารนา โดยอุบายต่างๆอยากมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสามเณรก่อตามเป็นพิสุก่อตามจะต้องแนะสอนเรื่องกรรมฐานก่อนกรรมฐานคืออะไรเจสาโลมาณนาขาทันตาสาจบนี่กรรมฐานที่อุปช า, าอาจารย์ <c oughs> แนะสอนเป็นอาวุธสำหรับฝ่าฟันราคาตัณหาที่จิตใจของเราไปกำหนัดยินดี ฝ่าฝืนธรรมดากหากที่เจรณายแยบภายลงไปอย่างผมมันเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรและฟันหนังเป็นอย่างไรให้เห็นตามสาภาพเป็นจริงของมันพวกเหล่านี้ถึงเราจะไม่สมมติว่ามันสกรปรกปฏิกูลก่อต่างความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอย่างอีกผมของเราตกหล่นลงไปในอาหาร หรือในน้ำดื่มมีหลายๆเส้นน้ำดื่มนั้นก็ไม่ตาที่จะดื่มลงปไปเพราะถือว่าสปสดอาหารก็ไม่ตาที่จะรับทานพอะเห็นว่าสกดสกนี่จะผมขนก็เหมือนกันเล็บแก่ออกไปใส่ในอาหารลองดูพอไปหยิบขึ้นเองนี่เล็บคนใครเล่าเขาจะตล้ารับทาน พอเห็นเล็บอยู่นั้นฟันก็เหมือนกันรุดโรล ล, ลงไปในถ้วยในจานอาหารก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกันแต่เราก็หลงพวกนี้แหละเห็นแบบผมมันสวยอย่างนั้นขนมันสวยอย่างนี้เล็บมันดีมันงามอย่างนั้นฟันมันเป็นอย่างนี้ยิ่งหนังก็ยิ่งไปกันใหญ่ลองถลกออกทั้งตัวไม่มีหนังจะหลงกันไหมเชื่อไม่หลงกัน มันหลงของนอกนี่แหละพระพุทธเจา้าถึสอนให้อุปชาอาจารย์แนะการบวชในที่เจรนาใ้แยบคานคนเรามันเป็นของสกระปรงยิ่งกว่าตัดอืน่นที่เราหลง ก, กันก็เพราะหนังผุ่มกระดูกอยู่แต่ในที่เจรณาดูข้างใ น, นและหนังเองก็เป็นของสี่สกรปรงต้อง ชำระสาหงหรือทุกวันอาบน้ํากันอยู่บอ่อยๆไม่อย่างนั้นก็เข้ากันไม่ได้เหมืนต่าเหมืนโงมันเป็นอย่างนั้นมนมุษย์เราเพราะภายในมันสกปรกของที่เราขบฉันรับทานก็เป็นของสกปรกอาหารทุกอย่างเป็นของเน่าของเสียกว่าจะเอามาใส่ในปากในท้องของเราไม่ใช่ของดี เก็บไว้ข้างคืนสองคืนถ้าหากไม่เไว้ในตู้เย็นเอาเทียงไว้ตามธรรมดาก็จะนี้กลิ่นเหม็นพุ่งขึ้นกายก็เป็นอยู่เดือยฟองตกกระปรงมันถึงตกระปรงถ้าหากเอาข้างในออกมาไว้ข้างนอกเอาข้างนอกยัดเข้าไปข้างในมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์เราจะารักษาแมลงวันได้ไหมเพียงชั่วระยะไม่กี่ชั่วโมงมแมลงวันจะมาฉี่ตา เพราะเหตุใดเพราะมันเหม็นมันเน่ามันโกปกรปกมีการที่เจรณาตามฐานตามจริงของมันตรงพิจารณาอย่างนั้นเพื่อใจจะไม่ให้ไปเกิดตามกำหนัดยินดีหรือว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจริงเหล่านี้คงเส้นคงวาหรือเปล่าหรือมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรพอเหตุที่เจรนาลงไป ตามเรื่องของมันให้แยบถายในจิตในใจของตัวเมื่อพิจรารณาในอธจทมอย่างที่อธิบายมาจิตใจไม่มีวันเวลาพุ่งปรุงไปสู่ข้างนอกก่อนับวันจิตใจจะสะงบสงดลงไปมีทางที่จะถอดถอนความสิดข้องข้องใจได้ถ้าหากไม่พิจารณาอย่างนี้พุ่งปรุงไปตามทายนอก ถือว่าสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้หลงไปตามอาการที่เขาประดับประดาตกแต่งต่างๆนันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะชาระความกําหนัดยินดียี่เหลียมตันหาออกจากใจได้ความติดข้องของใจความยินดีของใจความรักไข่ของใจเป็นทางที่ทําใจให้เศร้าหมองเป็นทางที่นํำภัยอันตรายมาสู่ตัวข้องตัว สิ่งใดที่เราชำระสสารออกไปได้สิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายจะมีความสุขความสบายคิดดูง่ายๆสิ่งของที่เราสละออกไปแล้วเขาจะเอาไปที่ไหนเราก็มะมีการเสียใจเพอเราเสียสละไปแล้วถ้าหากเราถือว่าเป็นของของเราอยู่สิ่งนั้นแหละจะเกิดโศกเศร้าเสียใจยิ่งรักยิ่งชอบใจเท่าไร สิ่งนั้นก่อเจตเป็นไทยเป็นอันตรายจะทําจิตทําใจคล่องตนให้เศ้าหมองเดือดร้อนมากขึ้นอย่างลูกของเราหรือพ่อแม่ของเราหยาดนิดของเราเขื่อนปุ้งของเราที่สนิทสนมรักใคร่กันจริงจังเขาร่มหายตายไปมีความเสีย อ, อกเสียใจร้องให้ถ้าหากเป็นศัตรูของเราที่เราหม่ยินดีแต่พอใจกับเขา เราเสียสละแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราเพราะจะตายไปวันอย่างค่ำจีบศบเราไม่มีการเสียใจมีการเสียสละเป็นอย่างนั้นการพิ่เจณะถอดขันเห็นตามเป็นจริงกว่าเหมือนกันเมื่อเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นของโปรกโปรกอย่างนั้นไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจไม่น่าติดใจเห็นตามเป็นจริงไม่ใช่สุ่มเดาไม่ใช่ขาดะเน่์เป็นขึ้นเห็นขึ้นจาก คิดจากใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิปัสนาจริงจังมันละได้ถอนได้ปล่อยได้วางได้เย็นสบายไม่มีอะไรที่จะมีความสุขความสบายเท่าใจที่ละถอนเรื่องที่เหลือตันหายพระพุทธเจ้าจึงชมเชยว่าการประพฤติปฏิบัติศาสนาการรู้เห็นเป็นจริงทางศาสนามีความสงบ มีความสบายมากยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกอย่างที่ตัดเป็นลายิดไว้กว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไมมีความสงบก็คือความไม่ไปติดข้องไม่ไปทั่วพันไม่ฝุ่งุงไปตามเรื่องต่างๆเห็นตามเป็นจริงในสิ่ง น, นั้นๆหยุดสงบขาดจากความยึดมั่นถือมัน่นเป็นความสุขอัศจรรย์ ที่พวกเราท่านยังไม่ได้ไม่ถึงไม่เห็นไม่เป็นจะยอมเชื่อได้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะต้องสะดวกสบายเพราะไม่ยึดไม่ข้องกับอะไรถ้าสงบได้อย่างนั้นมันจะมีความสุขมากคิดดูแต่ขอบคลัวของเราเกิดทะเลาะบอแหว่งกัน เกิดคนนั้นไม่สบายคนนี้เป็นไข้ครอบครัวนั้นก็ไม่มีความสุขผู้คลองก็เหมือนกันจะเกิดไม่เพื่อปฏิบัติอาธิธรรมเกิดนอกลูกนอกทางแล้วก็เดือดร้อนร่างกายของเราก็เหมือนกันเกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีความสุขความสบายใจของเราสหาหัส มีกิเลสตัณหาลบควรก็ไม่มีทางที่จะสงบสบายได้วิ่งวนอยู่ทุกการทุกเวลาหาแต่สัญญารมันอื่นมาเป็นความสุขแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ค่อยสนใจความสุขที่จะแก้ไขตัวเองละถอนกิเลสฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนที่มุงมั่นมาปฏิบัติปฏิบัติอัรทพึงําระสาสางคือ ต่างหน้าต่างตภ า, าวนาหาความสุขจากกายจากจิตของตัวอย่าไปหาความสุขส่วนอื่นเพราะความสุขส่วนอื่นเป็นความสุขจอมปลอมแต่เป็ความสุขที่แน่นอนอย่างยืนสุขเวลานี้ผุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นความสุขส่วนนั้นจึ่งไม่ควรผู้มีปัญญาจะไปลหลงไหลสนใจ ห, หาความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่แน่นอนความสุขที่ตายตัวคือความสุขทางศาสนาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาประพฤติปฏิบัติอัรรำเพื่อเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือนัตถิสันติพลังสุขังจริงจังนั่นแหละแดนความสุขแดนความกเกษมแดนความสุขที่นัากราด ทั่วไปสรรเสริญเยินยอเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่น่าเลื่องใสเป็นความสุขที่ตายใจส่วนความสุขอย่างอื่นมันแปรปวนไม่ใชความสุขที่แน่นอนความสุขจากการกินการดื่มความสุขจากการสัมผัสการดูการชมการสดับเล่าฟังเป็นความสุขภายนอก ยังนิดๆหน่อยๆอหายไปในเหมือนความสุขของใจที่ละถอนกิเลสหมดสิ้นนั่นเป็นความสุขที่พระพุทธเจา้าหรื่องเลี้ยเจา้าทั่วไปทันทันและเสริญแต่ก่อนที่ท่านยังไม่เห็นไม่เป็นท่านก็เป็นบุตรชนคนหนาเหมือนพวกเราไม่ไดูผีดแปลกแตกต่างอะไรกันขาดขันอันเดียวกันจะฉนันท่าน ถึงคอยขอพืชปฏิบัติได้เข้าใจเขียนแจ้งก็เพราะท่านเชื่อท่านเลือ่อมใสท่านยินดีท่านพอใจที่จะได้นาความจริงที่มีอยู่ในตัวของท่านที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่จากหน้าต่างตาขอพืช ป, ปฏิบัติภาวนาจริงจังจิตยอมละยอมถอนยอมลงยอมรวมยอมเห็นความสว่างสวยยอมเห็นการ ปล่อยวางท้องจิตข้องใจเลื่อยไปจนถึงที่สุดดานมีพวกเราทุกคนที่ด่านดนมาปฤติปฏิบัติมาจากที่ต่างๆ <c oughs> ขอพึงพากันพยายามจะททำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำทำไม่อาคาติว่าผู้หญิงผู้ชายหนุ่มแก่ ถ้าหากผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมแล้วผู้นั้นแหละจะได้สวยรสของธรรมคือความสุขอ ย, ยยอย่างที่อธิบายมาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าขอสมควรเสียวเวลาขอสิตไว้ยงังแส่นีเววัง